สหายเอย๋ยตัวเราไม่ได้มีแต่พอเผลอ ตัวเรามีขึ้นจนได้พอหายเผลอตัวเราก็หายไปหมดตัวเราเสียได้เป็นเรื่องดีท่านพุทธทาสพิขุ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 ส่วนรวมทํประโยชน์ให้กับคนที่เรารักหรือคนที่มีบุญคุณกับเราในการตอบแทนบุญคุณรีบทำซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสนะนี่เป็นการเตรียมตัวนะหรือบางครั้งถ้าเรามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยอาจจะเป็นญาติเราก็ดีหรือคนอื่นก็ดีไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยให้กำลังใจเขาบางทีก็อาจจะไปฟังสวดพระอภิธรมรมรดน้าศพเผาศพสิ่งเหล่านี้ละ่ะ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 ดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆนี่มันจะแยกนะแยกกิจออกจากความกลัวได้เราอาจจะได้ปัญญาจากความกลัวก็ได้จะเห็นว่ามีแต่ความกลัวนะจะไม่มีผู้กลัวมีแต่สติรุวนที่รู้เท่าทันในความกลัวอันนี้เป็นตัวปฏิบัติให้เราเจริญสติมากๆทำบ่อยๆหนึ่งเนืองในแต่ละวั น, นรักษาสติรักษาจิตใจเราไวใ้ให้เป็นปกติ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 อันนี้ดีนะลองฝึกดูนะสมด่งที่เคยได้อ่านคำกรอนของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้แต่งไว้และในตอนสุดท้ายเนี่ยประทับใจมากนะท่านกล่าวไว้ว่าถึงนาทีสุดท้ายอย่าได้พลาดตั้งสติไม่ประมาทเมื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอันสารพันไม่ยึดครอง เป็นของเรา